ธ <c oughs> ่นมยัางปรมาภะสภาวะธรรมสังวันนายะปะทะมะภาคตะปะทังพระนามะเตียงญาติโรายังมีกู่ปริโสลูกคนพิสุบุรุษลูอคนเรา ตจะอรุตังความนี้เราอาศัยเนือ้อความอะไรเราเล่าญาหิมาภิกขุธาตุโยดูก่อนภิกษุห<อ>้าทั้งหลายหกอย่างเหานี้มีอยู่ปานทวีธาตุคือปานทวีธา โกาตุคืออโพธาตุเตโชธาตุคือเตโชธาตุวาโยธาตุคือวาโยธาตุอากาศธาตุคืออากาศธาตุวิญญาณธาตุคือวิญญาณธาตุดังนี้ ยอคิกเวแต่สังชันลังอาตุลังอุปาโทติอาสินิพัตติปาตุฮาวะลูก่อนทิสุทั้งหลายอาวะอันใดเป็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความบังเกิดขึ้นมาความปรากฏออก แห่งภาตทั้งหลายหกอย่างเหล่านั้นทุกขเซโซอุปาทนั่นแหละคือความเกิดขึ้นแห่งทุกโรคคานังทิติความตั้งอยู่แห่งธรรมชาติเป็นเครื่องเสียแพงทั้งหลาย ชรามารณาสัพปาทุภาโมเป็นความปรากฏออกแห่งชราและมารณาย่อจโคธิกะเวเตสตั้งชันนังคาตูนังนิโรธโมูอปสโมอาทังกโมลูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสาวอันใด เป็นความดับไม่เหลือความเข้าไสปสงบระงับความถึงซึงอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งธาตทั้งหลายหกอย่างเหล่านั้นโลกาสเซโซนิ โ, โทรทนั่นแหละคือความดับไม่เหลือแห่งทุกรา เข้าไปสงบระ ง, งับแห่งธรรมชาติเป็นเครื่องเสียแทงทั้งหลายแรามาราะสะทั้งขโมวความถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้แห่งชจราและมรณะดังนี้ชันนาังพิฆเวทาตุลังอุปาทายะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยธาตุหกอย่างเหล่านี้ัาภัสาวกันติโมธิย่อมมีการอยัางลงสูขันโอกันติยาตินามรูปังเมือ่อการอยัางลงสูขันมีอยู่นามรูป ย่อมมีนามรูปปัจจายาตาลายาตังเพราะมีนามรูปเป็นปัจใจต l a ายาตนะย่อมมีตาลายาตนะปัจจะยามัสโซเพราะมีตายตนะเป็นปัจใจปัสสะย่อมมี อาสาปัจจยาเวทนาเพราะมีอาสาเป็นปัจัยเวทนาย่อมมีเวทียา ม, มานัสโคปาหังพิกเวรูก่อนพิกสูทั้งหลายสาหราบุคลคลผู้มีความรู้สึกต่อเวทนาอยู่ นั่นแลยอีทางทุกข์ขนธ์ดีปัญญาเป็นมิเราย่อมบัญญัติให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยายังทุกขสมมุทยอนีปัญญาเป็นมิย่อมบัญญัติให้รู้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุก เป็นอย่างนี้อย่างนี้อางทุกขนิโรธโทนีปัญญาเปมิย่อมบัญญตัติให้รู้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อางทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาตีปัญญาเปมิย่อมบัญญัติ ให้รู้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องธรรมสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้อาปราปิอาบุโสริสรหาตุโยดูกนท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลาย แม่เหล่าอื่นตามอย่างยังมีอีกกามาธาตุกล่าวคือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเป็นไปเพื่อกามทั้งหลายอย่างหนึ่งรูปธาตุกล่าวคือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งรูปเป็นไปเพื่อรูปธรรม ทั้งหลายอย่างหนึ่งอารูปธทาตุกล่าวคือธาตุเป็นที่ตั้งแห่งอารูปเป็นไปเพื่ออารูปธรรททั้งหลายอย่างหนึ่งดังนี้อาปาราปิอาหุโซปิโซอาตุโย มีอายุทั้งหลายธาตทั้งหลายแม่เหล่าอื่นสามอย่างยั ง, ยงมีอีกรูปธาโต้กล่าวคือธาตเป็นที่ตั้งแห่งรูปเป็นไปเพื่อรูปธรรมทั้งหลายอ ย, าอย่างหนึ่งอรูปปัาโต้กล่าวคือ เปที่ตังแห่งอรูปเป็นไปเพื่ออรูปธรรม ท, ทั้งหลายอย่างหนึ่งนิโรธาธาตุกล่าวตื่ธาตุเป็นที่นับแห่งรู ป, ประธาต์และอรู ป, ประธาต์ทั้งหลายเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างหนึ่งดังนี้อิสโซาอาว ลารมียาอาตุโยอลูกก่อนท่านผู้มีอายุขั้งหลหายธาตุอันเป็นธรรมชาติเครื่องสลัดออกซึ่งดิงควรสลัดออกมีอยู่สามอย่างาวามเมตัา ม, ามิตาระนังยาติทางเนคขมังกล่าวคือ แน่ฆัมมาธาตุอันเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งฆังงมมาธาตุนั่นอย่างหนึ่งรูปานเมตั์นิสระนังยาธิทั้งอาูปบังกล่าวคืออาโรปธาตุอันเป็นเครื่องสลาดออกซึ่งรูปปธาตุนั่นอย่างหนึ่ง ยังโคปนัินจิหูตังสังขตังปฏิจจสมุป น, นังนิโรธัสสนิสารนังกล่าวคือนิโรธทธาอันเป็นเครื่องจละตกซึ่งสังขารธาธาอันเกิดแล้วปงแต่งแล้วอาศัยการเกิดขึ้นแล้วใดๆก็ตามนั้น อย่างหนึ่งองนี้เยจะรูปปัตตาสะทั้งหลายเหล่าใดผู้เข้าไปถือเอาซึ่งรูปปัตตาด้วยเยจะอรูปปายตานิโมทั้งหลายเหล่าใดผู้เข้าไปตั้งอยู่ในอรูปปัตตาด้วย นิโรธังอภิชานันตาล้วนแต่เป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงอยู่ซึ่งนิโรธาตัอากันตาโรเนงผู้นับประวังตัดทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นผู้มาสู่พบใหม่อีเย <Yeah. S 1> จะรุเปปริญญยาย ส่วนจัตทั้งหลายเรล่าไดรอบรู้แล้วซึ่งรูปปาตนาทั้งหลายอารูเปเสตุวาสันติตาไม่ติดอยู่แล้วในรูปปาตนาทั้งหลายนิโอเทเยวงมุจจันติย่อมหลุดพ้นไปในนิโรธธาหนึ่เดียว เทศนามตจุหายิโนสารทั้งหลายเหล่านั้นชือว่าภุรัซึงมัจุดังนี้อาตวาอีกอย่างหนึ่งสัปปสังคารัธาตุญาติตังปฏิวาเปตวามารชนถอนแล้วซึ่งจิต จากสังขาราธาตุทั้งปวงอมตะยาธาตุญาจิตตังอุปังหารติย่อมน้อมนํากิตเข้าไปในอมตะธาตุเอดังตัณตังเอตังปานิตังนั่นแหละคือธรรมชาติอันลังคานั่นแหละคือธรรมชาติ อันประนิจยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือตาปสังขารสมทโธคือความสัส้งมังิธรรมะแห่งสังขารท<ำ>ั้งปวงสาภูปิปติปตินิสโคคือความสลัดคืนซึ่งอุปิทั้งปวง ตัณหาเ ก, กโยคือความสิ้นไปแห่งตัณหาเวลาโคคือความจางไปหมดสิ้นนิรโรธคือความดับไม่เหลือนิพพานคือความดับเย็นสนิทดังนี้